รำลึกถึงพระกุลการุ่นเกือนุนพระร่มถึงโยมแม่ใครนอคอยดูแลยาแม่แก่ชราจำวันที่พัานจากมาได้ติดตาโอมาดาผู้ล้ำพระคุณ อย่าเมื่อลูกยังน้อยเฝ้าคอยพนอใจร้อไอ้ยอุ่นรีใจคอยการุณนเจือจุนรักด่างดวงใจเมตตาใหญ่ลวงห่วงยญยลูกกลับไป แม่เคว้งควายกล่อมโมลัยจึงกลับพื้นสู่พื้นแผ่นดินมานดาด้วยเหตุผดังว่ากลับมาบ้านเกิดพื้นเพ่ คุณแม่สมคเนต้อํทำทายเทให้จนได้การโปรดมาดาจนชื่นบานเจริญในธรรมสำราญซึมสานดวงใจแม่ยาแม่ป่วยไม่สบายถ้าอยู่ยามาให้่วงยายอยู่ อันว่าส่วนของโยมบิดานั้นมาลับลวงโดยไม่มีทางลี้ อายุโยมพ่อเพียงเพียงห้าสิบห้าปีพ่อถึงการดับขันชีวีบุพการีท่านจึงมีเลือเพียงมานดาอายุ แ่นั้นครบหสิบปีท่านกลับมาพอดีบวชชีให้แต่นั้นมาแล้วพาไปจันทบุรีชีทำให้ซึ้งอุราพักเพียงแค่หนึ่งพันษามาดาเกิดป่วยทันใดป่วยเป็น อ, มอัมมารายจึงพามาดา ไปบ้านตาตีทีรักษาอยู่ จากการที่ต้องอยู่พยาบาลโยมารดาเป็นเวลานานๆทั้งโยมารดานั้นก็มีอายุมากแล้วการจะหอบหิ้วไปอยู่ด้วยกันในสถานที่อันทุรกันดาลตามอัธยาศัยเดิมที่เคยเป็นมาของท่านนั้นก็จะสร้างความลำบากให้กับโยมารดามากขึ้นไปอีกท่านจึงดำริที่จะสร้างวัดขึ้นมาสักแห่งหนึ่งประจวบกับในเวลานั้นชาวบ้านตากก็ได้ยินได้รู้กิติศัพท์กิติคุณของท่านมานาน จึงมีความประสงค์อยากให้ท่านตั้งวัดเพื่อปฏิบัติธรรมเช่นกันเพราะฉะนั้นจึงยินดีและพร้อมใจกันถวายที่ดินให้ท่านอย่างเต็มศรัทธาวัดป่าบ้านตาดจึงเริ่มต้นมีมาตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้